มีเรื่องผีเรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นภายในรั้ววังสมัยรัชกาลที่หครั้งที่พระองค์ท่านทรงย้ายวังมาประทับอยู่ที่พระราชวังดุสิตในรัชสมัยของพระองค์ท่านค่ะพระราชวังสวนดุสิตปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆว่ากันว่าสวยงามราวกับเมืองสวรรค์นะคะซึ่งภายในรอบบริเวณพระราชวังอบอวลไปด้วยหมู่ดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือว่าจะเป็นไม้ประดับนะคะก็มีร่มเงาครึ้มอยู่ทั่วบริเวณวังผลหมากรากไม้ในพระราชวังแห่งนี้ก็ออกดอกออกผลลูกเล็กลูกใหญ่ห้อยระยะเต็มต้นมีทั้งฝรั่งทับทิมมะม่วงกระท้อนเมื่อผลไม้ ม, มีมากมายเช่นนี้ค่ะก็ย่อมเป็นที่ต้องการของชาววัง ชาววงมือดีทั้งหลายนะคะ ท, ทั้งทั้งที่เป็นของที่อยู่ในเขตพระราชฐานผลไม้หลายๆต้นก็ยังถูกสอยเอาไปรับประทานเป็นจำนวนไม่น้อยแล้วก็เป็นประจำจนผิดสังเกตค่ะแถมผลไม้หลายๆลูกก็ยังพบร่องรอยของฟันแทะไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย ครั้งนั้นนะคะเรื่องขโมยผลไม้ในวังก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดรัชกาลที่5ต้องเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองแล้วก็ตรัสว่าไม่น่าจะใช่รอยฟันของกระรอกหรือว่ากระแตนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นรอยฟันของคนซึ่งมากัดแทะซะมากกว่าเห็นจะต้องหาตัวหัวขโมยมาลงโทษให้ได้จึงมีการตั้งรางวัลในการนำจับขโมยเป็นเงินถึง2ตำลึงในสมัยนั้นค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าตกกลางคืนบรรดาข้าหลวงหรือว่านางกำนันแล้วก็มหาดเล็กค่ะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเพราะว่าต้องคอยมาดักซุ่มจับขโมยเพียงเพื่อหวังเงินรางวัลแล้วก็การมาซุ่มจับค่ะก็จะมากันเป็นกลุ่มหลายคืนผ่านไปก็ยังไม่มีใครท้อใจนะคะเพราะว่าต่างก็อยากจะรู้ค่ะว่าใครกันแน่คือหัวขโมยใจกล้า ค, คนนั้นแต่ว่าในยามดึกๆเช่นนั้นทั่วทั้งวังก็เงียบแล้วก็เย็น อีกทั้งบรรยากาศ ก, ก็ยังคงวังเวงทําให้พวกที่มาดักจับขโมยค่ะรู้สึกหวาดหวาดอยู่ไม่น้อยเพราะว่าที่วังแห่งนี้มีเสียงล่ําลือกันนะคะว่ามักจะมีผีเด็กไว้ผมจุกออกมาวิ่งเล่นตอนดึกอยู่เสมอใครดวงดีก็จะได้เห็นนะคะการดักจับขโมยก็ยังคงดําเนินอยู่ทุกคืนบางคืนก็เจอเรื่องให้ขำนะคะเมื่อต่างฝ่ายต่างมีหลายกลุ่มหลายตําหนัก ลงมาซุ่มจับขโมยแล้วก็มีการสงสัยค่ะจับกันเองระหว่างพวกที่มาซุ่มจับเกิดการอันลวนอวันละเวงไปทั้งวังเพราะว่าที่แท้จริงแล้วไม่ใช่กลายเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ขนาดช่วยกันดักจับอยู่ทุกคืนก็ยังน่าประหลาดใจเนะะี่ยค่ะที่ผ ล, ลไม้ก็ยังหายอยู่เช่นเดิมแถมบางลูกนะคะห่อกระดาษไว้อย่างดีก็ยังถูกเด็ดไปจนได้จนกระทั่งคืนหนึง่งค่ะเล่ากันว่าเป็นคืนเดือนมืด ทั่วทั้งพระราชวังนี่คือเงียบสงัดมากแต่ว่าพวกชาววังก็ยังคงซุ่มเพื่อที่จะล่าหัวขโมยอยู่เช่นเดิมชาววังกลุ่มหนึ่งมาแอบซุ่มอยู่ใกล้กับต้นฝรั่งแล้วก็กำลังออกดอกออกผลเต็มต้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งใกล้จะสุกแล้วก็เก็บกินได้แล้วและต้นนี้นี่เองค่ะซึ่งเป็นต้นเดียวกันกับที่ล้นกล้าวในรัชกาลที่5เคยทอดพระเนตรพบว่าเป็นรอยแทะทิ้งไว้ คืนนั้นนะคะพอดึกสงัดก็ปรากฏว่ามีเสียงประหลาดค่ะพร้อมกับมีเงาดำๆวิ่งผ่านไปทางต้นฝรั่งทำให้ชาววังผู้ล่าหัวขโมยใจเต้นระทึกคาดว่าจะต้องเป็นหัวขโมยที่หวังจะจับแน่แล้วจึงพากันแอบซุ่มมองทันใดก็เห็นร่างของเจ้าของเงานั้นนะคะปีนขึ้นไปบนต้นฝรั่งนั่งกัดฝรั่งเคี้ยวกินอย่างกระหายหิว กลัวกล้าจับหัวขโมยก็พากันดีใจค่ะพากันวิ่งกลูเข้าไปล้อมรอบต้นฝรั่งนะคะหวังว่าจะดูหน้าหัวขโมยให้ชัดสักทีหนึ่งต่างจึงพากันร้องเรียกขู่ให้หัวขโมยเนี่ยลงมาจากต้นเจ้านั่นก็ยังไม่ยอมลงมาหรอกนะคะคุณผู้ฟังร้องเรียกอยู่นานจนในที่สุดนะคะเงาดําบนต้นก็กระโดดตู้มลงไปข้าหลวง ผู้ชายนะคะก็พากันตะครุบไล่จับแต่ก็จับไม่ได้เพราะว่าตัวลื่นเป็นเมือกแถมยังว่องไวป ร, ราดเปรียวผิดปกติกับมนุษย์ธรรมดาณนะเวลานั้นนะคะทันใดก่อนที่ใครจะคาดคิดหัวขโมยรายนี้ค่ะก็กระโจนพรวดเดียวลงไปในสระอโนดาษภายในพระราชวังแล้วก็จมหายไม่ขึ้นมาอีกเลยงานนี้ทุกคนก็เลยชวดเงินรางวัลเพราะว่าไม่มีใครสามารถจับขโมยที่วัยดุดปลอดคนนี้ได้ นอกจากจะจับไม่ได้แล้วนะคะแม้แต่หน้าตาก็ยังไม่มีใครได้เห็นแต่ว่ามีสิ่งเดียวที่ทุกคนสัมผัสได้นั่นก็คือกลิ่นตัวที่สาบรุนแรงคล้ายกับกลิ่นคนตายยิ่งไปกว่านั้นนะคะหลังจากที่หัวขโมยโดดหายลงไปในน้ำแล้วทุกคนจึงได้สติข่าวว่าตัวเองเนี่ยถูกผีหลอกแล้วก็พากันวิ่งหนีร้องเสียงดังลั่นขวัญกระเจิงนะคะ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นเรื่องเล่าผีผีในรั้วในวังสมัยรัชกาลที่5ค่ะเรื่องเล่าต่อมานะคะเป็นเรื่องลี้ลับกับทหารมหาดเล็กค่ะมีเรื่องเล่าจากบันทึกของตำรวจหลวงในวังท่านหนึ่งซึ่งท่านเล่าไว้นะคะว่าเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพหล่นกล้าวรัชกาลที่8ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตเรื่องนี้ก็มีอยู่นะคะว่าในเวลาช่วงดึกระหว่างงานพระราชพิธีนั้น พอพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าแขกระดับผู้ใหญ่กลับกันหมดแล้วก็จะมีนายทหารยามค่ะแล้วก็ตำรวจวังนะคะเฝ้าพระบรมศพอยู่โดยทหารจะยืนยามอยู่4ี่มุมของพระบรมศพแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเวรกันเป็นกะนะคะในส่วนของการยืนยามด้านในซึ่งเป็นที่ไว้พระโกรธศพซึ่งทำด้วยทองคำแท้ จะมีทหารมารักษาการเฉพาะตอนกลางคืนเนื่องจากว่าการยืนยามมาทั้งคืนพอใกล้สว่างก็ชักจะไม่ไหวต้องสุดลงนั่งแล้วก็หลับไปงีบนึงค่ะแต่พอเจ้านายมาตรวจเวรก็จะมีเสียงคนมาปลุกแล้วก็เขย่าตัวบอกให้ตื่นนะคะบอกว่าเจ้านายมาแล้วซึ่งเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่หูโดยไม่มีใครเคยเห็นตัวคนปลุกสักครั้งเดียว และของเรื่องคมหัวตุ้งติ้งนะคะซึ่งเป็นเรื่องของเรื่องที่มีอยู่นะคะว่าทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ต้องอยู่เฝ้าพระบรมศพตลอดทั้งคืนเผลอหลับขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนค่ะซึ่งได้ปิดพระทวารหรือว่าประตูแล้วก็พระบัญชรหน้าต่างนะคะไว้หมดแล้วไม่มีลมที่จะสามารถพัดให้คมหัวตุ้งติ้งสั่นไหวได้ แต่อยู่ๆค่ะในคืนนั้นก็เกิดเสียงกระทบกันของโคมมะหวดตุ้งติ้งดังขึ้นแรงๆเหมือนมีใครไปแกว่งก็เลยทำให้ทหารที่หลับเวรนี่ตื่นรวมทั้งพระที่สวดพิธีรมก็ต้องสะดุ้งไปตามๆกันแหละนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งเมื่อการก่อสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จย้ายเข้ามาประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ จากนั้นก็ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนพระบรมสารทิศลักษณ์รัชการต่างๆไว้ในห้องมุกกระสันพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสตนี้ค่ะเป็นชัยภูมิอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างพระมหาบนเทียนอันเป็นที่ประทับและเป็นที่สวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชการต่างๆโดยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าจั ก, กรพงษ์ท่านยังส่งพระยาวมากท่านก็ประทับเล่นที่บริเวณห้องมุกกระสัน อยู่ๆค่ะท่านก็เห็นบุรุษร่างท้วมสวมเสื้อผ้าอาพรแบบแปลกตาเดินผ่านมาทางพระองค์แล้วก็เดินหายเข้าไปในบริเวณที่ประดิษฐานพระบรมสาทรทสลักรัชกาลที่สด้วยความที่เจ้าฟ้าจาั ก, กรพง์พระชนยยังน้อยพระองค์ก็ตะโกนเรียกออกไปว่านั่นใครออกมาเดี๋ยวนี้แต่ก็ว่าไม่ปรากฏมีใครออกมานะคะ เมื่อความทราบถึงฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีท่านก็เลยมีรับสั่งถามเจ้าฟ้าจักรพงศ์ว่าบรุษนั่นมีลักษณะเป็นอย่างไรเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็เลยตอบไปตามที่พระเนตรเห็นค่ะพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็ทรงอนุมานได้ทันทีนะคะว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรากฏพระองค์ให้เจ้าฟ้าจักรพงศ์ทอดพระเนตร จึงส่งให้นางพระกำนานจัดดอกไม้ทูบเทียนไปให้เจ้าฟ้าจักรพงศ์เพื่อนำไปถวายแล้วก็ขอคมาลาโทษที่ไปล่วงเกินสมเด็จพระบรมราชบูรพการีหรือว่ารัชกาลที่สามค่ะเรื่องในรั้วในวังที่เป็นสิ่งลึกลับแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ก็ยังคงมีอีกมากมายนะคะอย่างเช่นเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องสระน้าลึกลับสระพระองค์อรไทย สระแห่งนี้สร้างขึ้นภายหลังที่พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญาสิ้นพระชนโดยมีเหตุก็คือหลังจากที่พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าอรไัยเทพกัญญาสิ้นพระชนลงนะคะด้วยอาการพระประชวนนะคะด้วยพระโรคเรื้อรังกระสอบกระแสะซึ่งกล่าวกันว่าทรงเป็นโรคประสาทค่ะทรงกระทํา วัตถิพิฆาตกรรมพระองค์หรือว่าการฆ่าตัวตายนะคะได้มีข่าวโจทจันว่ามีผู้ได้ยินเสียงเปรดร้องโหยหวนในยามวิการแล้วก็กล่าวขวัญกันต่อไปในทางที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลต่างๆซึ่งเหมาอาว่าเป็นเพราะพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์นั้นพึ่งจะสิ้นพระชนลงไปไม่นานคงจะไปทนทุกเวทนาอยู่ข่าวก็โจทย์จันแบบนี้แล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วแล้วก็ไม่อาจจะยุติได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยมีพระราชดำริให้แก้ข่าวจดจันทร์อันไม่เป็นมงคล น, นี้ด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานแล้วก็ทรงสั่งนะคะให้ขุดสระน้ำนี้ขึ้นเพื่ออุทิศส่วนเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งไปโปรดพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์นั้นให้พ้นทุกข์ เมื่อวันที่สระน้ำสร้างเสร็จตามพระบรมราชองค์การก็ได้มีพิธีฉลองสระค่ะโดยให้มีการลอยสลากเป็นกุศลละทานลงไปในสระเป็นที่คลึกครื้นตั้งแต่นั้นมานะคะเรื่องโจทย์จันอันไม่เป็นมงคลก็ค่อยๆเงียบหายไป พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเจ้าจอมมารดาบัวซึ่งประสูติเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2402แล้วก็สิ้นพระชนลงในรัชกาลที่5เมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2449รวมพระชนส่าได้47ปีค่ะ เรื่องลี้ลับชาววังที่เคยเป็นเรื่องเล่าในสมัยก่อนก็ยังไม่ได้จางหายไปก็ยังคงเล่าสืบทอดมายังรุ่นสู่รุ่นแม้ว่าในปัจจุบันข้าราชบริพารที่ทํางานในพระบรมหาราชาวังนะคะก็ยังคงตั้งวงเล่าเรื่องชวนขนหัวลุกกันอยู่หลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะไม่มีใครอยู่ทางานขนาดมีงานพระราชพิธีเปิดไฟสว่างคนเยอะแยะก็ยังไม่กล้าเดินคนเดียว พวกรุ่นนี้ก็จะบอกรุ่นน้องที่มาทำงานใหม่เสมอบอกว่าเลิกงานแล้วกลับบ้านเลยนะใครอยู่ดึกรับรองเจอดีแน่นะคะจากที่เคยเดินเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังกันแบบหมู่คณะไม่ต้องรอพระอาทิตย์ตกดินนี้ก็ยังมีความน่ากลัวแบบคลาสสิกอยู่นะคะ เรื่องต่อไปมีอยู่ค่ะว่าสำนักพระราชวังมีที่พักไม่พอให้ข้าราชการที่บ้านอยู่ไกลได้พักนะคะจึงต้องจัดให้พักอยู่ที่หมู่พระตำหนักแล้วก็เรือนเก่าของเหล่าบรรดาพระสนม เจ้าจอมมันดาหรือว่าเจ้าจอมในเขตพระราชฐานชั้นในข้าราชการคนหนึ่งค่ะก็ได้พักในพระตำหนักของพระองค์เจ้าประเวศวรสมัยซึ่งเป็นพระราชธิดาในลนกล้าวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมันดาทัพทิมนะคะเป็นพระตำหนักแบบตะวันตกรูปตัวยูเกาะ อ, อิดปูนถึงสองชั้น คืนแรกไปนอนค่ะอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ด้วยเหมือนมีคนเดินผ่านบางทีก็นอนตกเตียงเพราะว่ามีมือดีมาดึง<ๆ>ก็เลยอยู่ไม่ไหวด้วยเกรงในพระเดชานุภาพในพระบรมวงศานุวงศ์ที่เคยสิ้นพระชนในตำหนักนี้จึงขอขมาลาโทษและลงมานอนข้างล่างหรือว่าห้องนั่งเล่นพอจะหลับนอนได้โดยไม่มีอะไรมารบกวนรุนแรงอีกนะคะ อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเรื่องของข้าราชสำนักเจอดีที่นาเรือนของเจ้าจอมกกอซึ่งเจ้าจอมก๊กอเนี่ยเป็นเหล่าธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์หรือว่าเทศบุญนาคนะคะเจ้าเมืองเพชรบุรีกับท่านผู้หญิงอู่บุญนาคโดยเป็นพี่น้องกัน5้าคนค่ะได้แก่เจ้าจอมมนดาอ่อนเจ้าจอมมันดาเอี่ยมเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมอาบนะคะแล้วก็เจ้าจอมเอื้อนแห่งราชนิกุลบุญนาคนั่นเอง ะะเรือนของเจ้าจอมมันดาทั้ง5ค่ะอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในตัวเรือนก็ใช้โครงสร้างเป็นไม้ทั้งหลังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงสี่ชั้นประตูทางเข้าอยู่ทางทิศเหนือทำเป็นรูปเครื่องวงกลมมีหน้าต่างเจาะเป็นรูปโคง้งอยู่ตรงกันทุกชั้นด้านหน้าชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สทํทำเป็นเฉลียงส่วนชั้นบนสุดก็จะเป็นดาดฟ้า ชั้นล่างเป็นที่อยู่ของข้าราชบริพารส่วนชั้นที่สองเป็นที่อยู่ของเจ้าจอมมารดาทั้งหลายแล้วก็เอาไว้ใช้สำหรับรับแขกค่ะเรือนหลังนี้มีเรื่องเล่านะคะว่าวันหนึ่งขณะที่ว่างจากงานในหน้าที่ข้าราชการฝ่ายนายกลุ่มหนึ่งเห็นว่าสถานที่หน้าเรือนเจ้าจอมก๊ก อ, องเงียบสงบก็เลยชวนกันมานั่งเล่นพักผ่อนกันในบริเวณสนามหญ้า ขณะที่กําลังคุยกันออกรถค่ะเสียงหัวเราะ อ, อาจจะดังไปหน่อยอยู่ๆมีน้ําจากไหนไม่รู้เหมือนใครเทราศาสตร์ลงมาจากข้างบนเสียงคนคุยเฮฮาเมื่อสักครู่ น, นี้เงียบกริบเลยนะคะเนื้อตัวเปียกปอนกันหมดแงนดูข้างบนก็ไม่มีใครเพราะว่าเรือนนี้ถูกปล่อยร้างไม่มีใครอยู่มานานแล้วเป็นเรื่องที่น่าประหลาดค่ะซึ่งจับมือใครดมไม่ได้แล้วก็เชื่อกันค่ะว่าเจ้าของผลงานชิ้นนี้ ไม่น่าจะมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะแถมท้ายกันนะคะคุณผู้ฟังด้วยเรื่องโอปติกะกับราชการที่6กกันค่ะเมื่อพูดถึงผีหรือว่าวิญญาณนะคะพวกเราทุกคนชาวนอกรั้ววงังคงอยากจะได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในรั้ววังกันบ้าง วันนี้พระเจอผีก็เลยไปเสาะหาจากนิตยสา ร, รหญิงไทยมาให้ฟังกันก็ขออนุญาตนำเอาเรื่องราวโอปติกะที่มาปรากฏให้เห็นเฉพาะพระพักตรนเกล้ารัชกาลที่6มาให้ฟังนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งที่พระองค์ยังคงประทับอยู่ที่พระตำหนักจิตลดารโหฐาน วันนึงก็มีงานบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันเกิดของท่านจอมพลเจ้าฟ้าพระยาบดินเดชานุชิตเสนาบดีกระทรวงกลาหมในสมัยนั้นค่ะซึ่งหล่นกล้าวรัชกาลที่6ก็ต้องไปในงานนี้ด้วยการแต่งพระองค์ในวันนั้นก็ต้องส่งเครื่องยศทหารรักษาวังเพียงครึ่งยศพระเจ้าพระยาบดินเดชานุชิตเป็นนายทหารพิเศษประจํากรมทหารรักษาวางังแล้วก็ยังเป็นงานแบบสโมสรกลางแจ้ง งานในวันนั้นค่ะมีข้าราชบริพารสมุหาราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์นะคะเตรียมโดยเสด็จอย่างพรั่งพร้อมเมื่อได้เวลาเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไม่ว่าจะเป็นทหารเรือทหารมา้าทหารราบทั่วไปแล้วก็ตำรวจค่ะจะต้องมายืนรับเสด็จอยู่ริมรถพระที่นั่งตามอย่างราชประเพณีเป็นปกติ แล้วก็ยังมีราชองค์คาร์กเวนสมทบราชองค์คาร์กประจำนะคะซึ่งมีพันโทรพระยาสรชาติโยธีพันตรีหลวงอาถานนรงนาวาโทหลวงสวัสดนาวายุต์ร้อยเอกหลวงวรพักภูบาลแล้วก็นายพันตารวจโทหลวงอภิบาล น, นครเขตนอกจากพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว พระองค์เองนะคะยังทอดพระเนตรเห็นพันเอกจะมื่นริตรรณจักรด้วยซึ่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารรักษาวังแต่งตัวเต็มยศเลยล่ะค่ะมายืนอยู่ในหมู่ราช อ, องครักษ์โดยสวมหมวกแบบนบโปเลียนแล้วก็มีปลอกคอปลอกข้อมือใช้กระบี่แบบไทยหัวนี่เป็นพญานาค พระองค์ทรงตรัสกับเหล่าทหารมหาดเล็กคนสนิทก็คือนายรองเล่อาวุธหรือจมื่นมานิดนเรศฟังนะคะว่าเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็ทรงชงนพระราชาหฤทัยเหมือนกันว่าทำไมจมืน่นฤทธิ์รนจักจึงแต่งกายเต็มยศแต่ก็ไม่ได้ออกพระโอษฐ์กับใครแม้กระทั่งสมุหาราชองค์คารักษ์ที่โดยเสด็จไปในรถพระที่นั่งด้วยค่ะ เมื่อเสด็จมาถึงที่งานก็ทรงมีพระราชภาระที่จะต้องพระราชทานน้ำสังแล้วก็ทรงเจิมต้องพระราชทานประคำทองแล้วก็แหวนนพเก้าเป็นพิเศษตามอย่างโบราณราชประเพณีให้แก่เจ้าพระยานาหมื่นชั้นแม่ทับนายกองเป็นของขวัญแล้วก็ยังทรงมีพระราชภาระที่จะต้องพระราชทานพระบรมราโชวาสในงานเลี้ยง เมื่อสรงพระราชทานพรและก็ทอดพระเนตรงานมหหรสพจนเสร็จงานก็เป็นเวลาเกือบตีสนะคะจึงเสด็จกลับพระตำหนักจนกระทั่งถึงพระตำหนักที่ประทับณวังสวนจิต ร, รดาค่ะก็เสด็จเข้าห้องแต่งพระองค์แต่ก่อนที่จะถึงห้องแต่งพระองค์ก็ได้เสด็จผ่านห้องโถงแล้วก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพานกระหล่ทองค่ะซึ่งบนพานใบนั้น มีทูปแล้วก็กระแจขนาดใหญ่พร้อมกับเทียนไส้ใหญ่อย่างละหนึ่งเล่มแบบเผาศพพร้อมด้วยกระทงดอกไม้ตั้งอยู่แล้วก็ยังมีข้อความเขียนไว้ค่ะว่าดอกไม้ทูปเทียนของข้าพระพุทธเจ้าจะมื่นรนจักขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายบังคมลาไปปรโลก สิ่งที่นำมาถวายแล้วก็ข้อความที่เขียนไว้นี้นะคะเป็นแบบอย่างการถวายบังคมทุนลาตายของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารซึ่งทรงรู้จักคุ้นเคยโดยครอบครัวผู้ตายจะจัดขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายจากนั้นนะคะพระองค์ก็จะปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้มหาดเล็กรับใช้หรือมหาดเล็กห้องที่พระบรรทมนาไปจุดบูชาที่หอพระ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทำให้ชงนในพระราชหฤทัยไม่ใช่น้อยจึงได้โปรดให้มหาดเล็กเวณเชิญพระราชกระแสไปสอบถามเพื่อให้แน่แก่พระไทยนะคะ ที่บ้านของจมืน่นฤทธิ์โรนจักนะคะมหัดเล็กก็กลับมาถวายบังคมทูลพระกรุณาว่าจมืน่นฤทธิ์โรนจักถึงแก่กรรมแล้วเมื่อเช้านี้แล้วก็ในตอนเย็นก็ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพทางครอบครัวได้แต่งตัวศพด้วยเครื่องเต็มยศทั้งชุดของทหารรักษาวัง เมื่อความได้ทราบถึงใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเช่นนั้นค่ะพระองค์ทรงเสียพระราชาหไทยและเสียดายจะเหมือนริตรนาจักเป็นอย่างมากถึงกับออกพระโอษฐ์เลยนะคะบอกว่าจะเหมือนริโรนจาจักแกรักชันอุตส่าห์นาวิญญาณในเครื่องแบบเต็มยศมาลาชันจะเหมือนฤริโรนจาจักผู้นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นนายทหารที่มีตําแหน่งเป็นถึงผู้บังคับกองพันทหารรักษาวางังแล้วก็พระราชะองครักษ์นะคะ ที่เป็นนายทหารในหลนกล้าวรัชกาลที่6ที่ท่านไว้พระาราชหฤทยัยทรงโปรดปรานสนิทสนมด้วยเป็นอย่างมากดังนั้นในงานศพของนายทหารท่านนี้พระองค์จึงโปรดกล้าวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าจัดศพตลอดงานก็เรียกว่านับเป็นพระมหารกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวจะเหมือนฤทธิ์รนจักสุดขนานับ คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้เพราะว่าผู้เล่าก็คือจมื่นมานิษย์นเรศมหาดเล็กคนสนิทในล้นเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งได้เล่าไว้นะคะในรายการรอบเมืองไทยทางสถานีวิทยุทททนะคะซึ่งจมื่นมานิดย์นเรศค่ะหรือว่าเฉลิมสเสวตนันนะคะก็เกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2442แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่11กันยายน2510นะคะ ะะจะหมืนมานิดนเรศนะคะก็ยังเป็นข้าราชการเป็นนักหนังสือพิมพ์พร้อมกับเป็นนักแสดงฝ่ายพลเรือนแล้วก็เลือดทหารไทยผู้ประพันธ์เนื้อเพลงนะคะรำวงมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นงามแสงเดือนชาวไทยรําซีมาราแล้วก็คืนเดือนงายเพลงปลุกใจเพลงลีลาดเพลงของกรมโฆษณาการค่ะ